ตามรูปแบบหรือแนวทางของอัลกุรอานในการรวมไว้ระหว่างการเชิญชวนให้กระทำความดีและการขู่สัมพันไม่ให้กระทำความชั่ววันนี้ได้จบลงด้วยภาพลักษณ์ของคนหลงทางคนชั่วเลวทรามที่มีต่อปวงเบาของอัลลาอฮ์ที่ดีทรงคุณธรรมโดยพวกเขาได้ย่อเย้ยพวกเบาวที่ดีในโลกนี้และการศรัทธาของพวกเขาและความดีของพวกเขา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 และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าซิทยินนั้นคืออะไรคือบันทึกที่ถูกจารึกไว้ความหายนะในวันนั้นจงประสบแดบ่บรรดาผู้ปฏิเสธ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 แค่แล้วอินนะคิตาบัลอบราร์นั่อิลียีนว่ามาอัจราค์มาอิลียูนคิตาบมัมมับคุลมิใช่เสนนั้นแท้จริงบันทึกของผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลียีนอย่างแน่นอนและอันใดเล่าทำให้เจ้าได้รู้ว่าอิลียีนคืออะไร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 พวกเขาจะมองดูจากบนเตียงเจ้าจะได้รู้ถึงความสดชื่นความสุขสํำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาพวกเขาจะได้ดื่มสุราบริสุทธิ์ที่ถูกผนึกไว้ ที่ใช้ผนึกมันนั้นคือชมดเชียงและในการนี้บรรดาผู้แข่งขันที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสํานี้จงแข่งขันกันเถิดที่ใช้ผสมชรานั้นมาจากตัสนีมคือตาน้ำแห่งหนึ่งซึ่งบรรดา ผู้กล้าชิดอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะได้ดื่มมันถ้าจริงบรรดาผู้กระทำความผิดนั้นเคยหัวเราะเยาะบรรดาผู้ศรัทธาและเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไปพวกเขาจะหลิวตาเยอะอย่าง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 ดังนั้นวันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวเราะเยาะพวกปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาบรรดาผู้ศรัทธาจะมองดูอยู่บนเตียงรบรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้กระทำมาไม่เชิง